นามตัสสะภะคะวะตุอะระหะตุสัมมาสัมพุทธะตาตาในกาลเมนั้นส่วนวาจุจากก า, าพามผู้เท่ามันก็ได้กินกาสองจึงเจ้าบุญเริง อันปู่พ่ายาเตียงคู่มึงไปไทยเยออันเยร้อยใสปัญจีพามเป็นดีกับกาเจ้าบาปนั่นเขาราวีพามรังมีเบาภากนางร้อยหากเหมือนกัน พามซาลุนวันย้อยเย้มมันจูบแ ก, กมจู้ขอนขอนบาปนั่นจนจับผู้หญิงหมูนั่นรุมจังเขาจึงแปลงร่างวันแก่เท่าร้อยปุ่นเขากับแกง จินลาบแดงค่อนถุยกุวยสุขใหม่ค่อนวิหออับดีแกงอ่อมแต่งกูพอมยอทถวยยิงตั้งหลายโลดดึนตังสา ย, ยืนมาห้าง ไปกว่าเอายื่นเขาจำปูเท่าตีกินหูตีมันยินอยากย้ำใส่ปากไว้ไวตีกินไปว่าวุ้มว่าบาบเท่าหลบหลาดลึนลง กินเบาป้องเบาหน่อยสิ่งปุ่นร้อยนางเปียงกินตามเรียงผ้าผูดจินจับหนดพุ่มยุมกินว่าวุ้มว่าเบากินแถมเหล่าไหลอันครอบหูแปดมันล่าไหลครอบขาไก่มันล่าลัน เท่ายินมันปล่อยซ้ำแร่งต้องเท่าแข็งปันกองพ่อวากินหนังปวองแลจิ้นจ้างจิ้นเรียดด่างมันนาะหนังพาลาเผาผ่อยตำมือย่อยสุนปาง พามตั้นหาบาปใบปัดใสใสตั้งมูลกินโบจูนไผเหล่าเท่าเขียวว่าลุมลามมันกินตามอันกันอันอยากต้องไม่พากมานาน อาหารกัดกังไ่ไฟต้องไม่เบาตันแต็มพันยันป้อนปากปอกาอยากเจาะกินตานพัำยินลำบากอุ้มต้องหากคังคือ สองมือแตะต้องลูปพามเท่าหมูกกับจองปุ้มหลวงป้วงเบาแวบร้องให้แหตติ้งตายพามนอนงายปากบิวคบกาดเขียวกัดฟัน เอาตินยันลุงหนังเท้ายินกังกับออกยันจาจอกจาจากพามเลือกลาคือตาเขาจึงเลียนหาหมอยาผู้จางอยู่ต่างบ้านใกล้กันเขาจึงไปหาหมอคำปันก็เรียกว่าไปซื้อมาไปสู่หมอผีฝ้าซ้ำว่าไปดูนา ไปหาโมตีว่าดาก็ซ้าว่าไปล้อมรูปไปสู่โมงูก็ซ้ำว่าเชบตาไปเบาใดไปสู่หมอบันไตก็ซ้ากังฟุงเห ไปสู่หมอผูแพกก็เรียกว่าเรารักไปยาหรือไปสู่หมอบ้านหรือก็ซ้ำว่าผิดมีสีเบ่าปากเขาจิงตากขึ้นมา เลียนไปหาโมกังนาก็เรียงว่ามือเบาได้เลียนไปหาโมบันไตก็ไปบูชายันสีกูลูกมีเบาได้เขาเขาจริงปวกไตเต้าติ่วมา ป้อมใส่หมอยาเท่าพูหนึ่งจอบไตรเพทรู้ด้วยเหตุโบราณตัมตำนานตวอยเหมียนขิดปั๊บแกนกุญไว ยังดูในยันทีลักอยู่ตีในลุนกุลดูปีพาเท่าตั้งแต่เก้าหรวว่าจาตาพามผู้นี้ถูกข้อไรตู้ใหญ่พ่อว่าอาติดไหลตอกพุ่ม อังการลุ่มแถมเหล่าราหูเหน่าสิบสองเสารีปองกาต้มตูขดข้อไรสุดไหลอันจาตามันขาดซ้ำเบามีสังจังมากัมเฮืออยู่มึนนาน จ่าตาภาพหากสวยขอย้อไรเบาป้อนง่ายต่างตายือของขวายปล่อยไก่กูน้อยใหญ่วางสีฟุ้งเป็นมีจอยใจยังจังใดลาว้ลุงลายเบาล้อตายจูกเล่าเท่าเล่าเก่าติงมารณาจาเล่เปื่นเฮย ป่าหูจา น, นาเมื่อนั่นขวัญตั้งหลายมุนมากพร้อมตุ้งปากเจินจาฝุงตู้ตาข่อนใจเมื่อขาไบใบถอ้าา อ, าา อ, บถอยสารวาคาแดสำเด็จ้าอาการาดขานอมบาดถ้อยสารขอคำมาตุดใหญ่ยารีบใดกาตัมตี โนว่าหมอบ้านตินภูวิเศษจอบเจ้งเป็ดหูราวาจาตาพรมหากขาดขอ้อไรราดตกพุ้มสีต่ตัวรุมกันเข่าพามเท่าติ่งเดนนต้พามคุยคายลุงนั่งเหอเท่าทังไหลตอกเกียนกับ อ, อกกับใสปีผูกไม่ปอปัง ต้องพัมดารารุนราราดปั้นดังตาลเขากาดตีกันฟังเสียงนั้นข่าคุณ่าขาดเหมือนดังหินพายาตอกวังร้องคังคังอาอัดอาอืดเสียร่ารันรารดตึงขึ้นกิ่งกระพื้นเนื้อศาสตาลุตาลาดเลินไป จำจอไฟมาส่องควัดหาจองตาตอนพัดหาจานโก้เบา อ, อกวังจักถอกคือเบาใจมาจูในเบาเปกินยาแก่ ก, ก็เบาลังกินยาผ่องสิ่งซ้ำไตหายามาใหม่ก็สิ่งไลอันมันก็กินข้าคับข้าคาบกาบตังรากตังใบ กองว่าเจ้าลองไปปล่อยซ้ำไก่ต้องาพยามใหญ่ปุ้มปิงฝุงแดกยิงเอาไฟมาสวงาพามนังยองยายอกหวังจักตกปล่อยซ้ำปองมาแถมเหล่าไร่กว่าเก่าแถมมาเต้ายามาลูปลหวังจักได้เบาใจ ถาม้องไหลกับกังจริงเกิดฟังตาเลยตาลิงตาวนอนยิงคุมแข่งร้องให้แบ่งอือคางนั่งต้องบางลาเล็มเข้าแต็มปิ้มตั้งสองจะึ้นนอนจองก็เบาได้เท่าเกือกให้อือสองมือแตกต้องแหยีต้องเท่าแตกตาตู เสียงข้างนั้นง้างุ่มง้าง่างนั้นแต่ไตหลังถึงรื้นพามบิดเบือนตาตืดน้ำลายยืดตอกไหลพามหายใจซาอึนซาเล็ดขึ้นติดคอปานโบโบซ า, าเสาหายใจเขากัางกับ ตาเบาลับพ่อขึ้นตาเลือกฟื้นตกวังตินมืององเป็นเกี่ยวอยู่บัดเดียวหนึ่งโลตายไปพามเบาหันอันใดจกเป็นโตดพามเท่าโลดจิบหายเท่าโลตายรับติดตายเป็นเพดก็พ่อเปื่อมีมัน ผู้เจออามินตาตาสีจา้าควายล้านางไว้เป็นเม่ไม่ยอยู่รุนหลังหุยนอตุขังแตโนาพามก็มาไตาสีข้ายิงใจสองร้อย ไต่สีนางนุ่มน้อยอาบินตาตาไต่สิอาสนารตั้งกูไต่สิจังามาหมู่โวนำไต่สิพี่ดานคำตั้งเตียงไต่สิของพญาเตียงฮือจูอันอัน ตายสี่คำปันนิข่าสองแสนสี่หมืน่นตายสีนาจ่อยจืนเสาจีตายสีส่สมบัติอันวิเศษตายสี่ผ้าต้องติดพื้นจนัน ตายเสธทองค่านัน้นพามปากว่าตายเสธผูเสียาวงางซาตายเสนารียาสาวหนุ่ม น, น้อยพามเบาตันใดกอดอ้อยสวยกม ไต่สิจ้างโรงงามตูอาดไต่สิมาแก่ราดอัดสะดวนไต่สิฝุ่งกวายพอนตูอาดไต่สิวูสุภ้าราดไว้ปัน ไต้สีจานอังทันคร่งเตา้ตาไต้สีแผ่นผ้าเมางอนคำไต้สีสมบัดน้ำมนตหมั่งไต้สีสือผ้ากังม่วนรีไต้สีเพริมราดเท่ามินจาดเป็นคนกรรมอาจ์จูจอดจูตีรอดอารมณ์ วิธีสมัมผัสปั่นผ้าวังกาลันเจตีผ้าวังกาปาสัสตามีตัดขาดจิตจึงขาดกายาหือพิตาเตยกมังต่อใจกว่าสร้างอบาย พามได้มาสวยสัมบัติหลายในภาษาทุนขนาดเจ็ดวันมันเบารูร้รำปึงสั่งสักสิ่งาพามเท่าจริงมารนาลานนางอาบินตาตางามหนุ่มหน่อยหวังว่าจังได้ค่าคอยมือใจสอยมีปล่อยซ้า ม, มาตายสีเหล่าและมีหนุ่มเน่าอยู่ดุนหลัง โวยนอตุงคั้งปุ้นนายเต่าเล่นจูหมายไหลใจเมื่อไปลุนบุปปกากรรมมาไกวโดดได้เป็นนางผียายสวยมึงสัมบัดเรื่องมือลาได้เป็นนางฟ้าภาาเมืองกาลิงวันนันเล ตาตาในกาลานันมหาคาสตราที่ราชเป็นเต้าอาดวิงใจได้ยินสิงสควันกาวกันรู้ข่าวว่าพามตายพีกก็อือควันตั้งไหลเหลือกสาดคือเท่าอาบนำอ้อบนำหอมได้หกสิบข้าอ้อมสองอาบพาเขาลาดไปใน ข้ากูใสหุมปลายหนอกรงเท่าปอกงอนคำแก้วแดงดำเป็นกูแก้วกอมกูไหลลุงแก้วนอนรงเรื่มย่าหยาดผาดผาศาสแก้วหลายพัน เจรางวันต่างต่างตินยอมควันฝุ้งจางปิจารณาพีาก็อือควันตั้งหลายตอบเต่งแล้วจึงถามามาหมาดแก้วปรุฮิตว่าดูราโมบ้านติ้นผู้อี้สิจอบเจ้งปิดวันไตมือได้ดีและวันไดปวดเราจะตอดสีพรม วันใดดีงามตันจุงบอกอย่าโยโตเตียงกูคขาเราผ้าองรามสู่ตานจีผ่านหื้อตามโมหนึ่งตรา เมื่อนั่นหมอบ้านอินผู้ใจหมอขาบไวรอถวายสารว่าในวันผูกก็งามปลอดล้นกนุผ้าเจ้าฟ้าแ่งสีผีจริงอยู่สัสซาดีลาบใหญ่ข้าหน่อยขาบไวถวายสารเพื่อผ้าผู้บ้านแจงเจ็ดเพื่อรู้เหตุวันดีและนา ตาตาในกาลาเมื่อนันเต้าปรมอาสันใจตอนจอบผ้ากอบดวยใจหวานก็เอือขวัญตั้งหลายส่งสาการพามปู่เต้าก็เอือเล่นอยู่หลายอันสิงมีนั้นซาสู่เบาเศ้ากูยิงใจ พ่องก่อคำนี่ยายไหลสิ่งสีบัดยิงซอกาลงพุงคอนทุงหนุ่มเ่าดูดน้ำเหลาสุราพ่องก่อตอกซากาลูกใหญ่มาลรุ่งใสเขาแแปลง พ่องก็เล่นเสียงตาแปดซื้อไก่แวดกินกันมาโหซับนั้นปานจักเตียกมาอิงแขกจีพามเบาสาวรำซาพังแหวดร่หนังไล่สันพ่องก็นั้นหูร้องพ่องดาป้องไลอันสิงมีนั้นจ้าใจลางพ่องก็ตรีเตียกให้หุยหาย พ่องก็อไขหูตายง่างันพ่องก็อตรีบาปัยันตาลิงแตลายฟุงคุณนายตกอเตียงหื้อตามเหงโบราณอันจะส่อสา ก, การสักเท่าเอาใส่เขาเผาไฟพ่องก็อหื้อไปซื้อโรงผีในกาศสิงสามบาทงอนได ฝุงคันไหลหามสู่ไวร้ริมปู่เต็มตันยกหูมันลงตรวจน้ำเน่าหยอดตามตกนันจอกจอกจากจากไหลแต่ภากตอกดินฝุงคันยินกูมากข่องก็ร้องออกปากว่าผีมาผีมาไปตากาเราเฮยว่าอันก็มีเล่ อุณนาตีว่าสีในวันลุ่นมารวดจังเอ า, าพามเท่าตัวสีไก่สีหน้าในอองอาจอันจ้าลาดโดยยังการก็มาปิจารณาหานหาฤีธเบาหือมารีตโบราณหาควันตั้งหลายภาการมาเตียงตานผู้ข้าหานหือหามพาม เขามาจามยันตาตุ้มตาตุ้มควันตาสุ่มหื อ, ออนต่างควันตาฟังหื้อถือไม่ไตควัอนอั่งใบหือห้ามกองผู้ปุ่มปวงหือตีปาดผู้หนุงเสื้อผ้าขาดคือขับซอผู้แขนงอหือตบเฉ่งผู้ปากแว่งหือเป่าปีแตร ผู้แขนแง่ื้อถือชัดก้าโลกผู้หูโนกหือเป่าก้องตีตามเขาหา้มพามไปจ้าใจค้นสาให้ตามก้อง ตีแต่ใจบ่ามองสักหยาดฟุงเป็นนางเลานาเ้าสีเขามีใจ ย, ยินดีสว่างยาวบบาฟังเฝ้าฉันได้เขาจริงเอากันไปซาสันสาสว่าไปถึงป่าตีไก่เวีง เขาจึงทิ้งกันว่าเจ้าเราเหยมมุ่นมากเราจังเอาศาสเท่านี้ไปสิตีตันได้นั่นจ้า จังว่าเอาไปสีตีริมน้ำก็จังไววกินปลาจังเอาไปสีตีริมนาก็โกผิดกวนเขาเบาตุนเต้ามาเย่ ก, กูลูกเม่อึบอยากยินขก้ดมากหนังนานะ จังเอาไปสีตีไกสาลาก็กูผิดหลอกจังเอาไปสีตีเก้าหมักกอกก็ลูกอ่อนจางมาเลนท่าสูงจ้าเอาไปสีตีโบกแล่ลุมก็จังไห้กินเนีวแล่โรคจังเอาไปสีตีคางชุ้มกุ ก, นน ก, มกก็จังไห้กินเฮ็ด จังเอาไปสีตีป่าพักแผลดก็จังไววกินดอกจังเอาไปสีตีป่าพักนอกก็จังไววกินใบ จังเอาไปสีตีไก่ก็ยินว่าขานจังเอาไปสีตีไก่บานก็กูลูกไข่เล่เมเป็นจังเอาไปสีติเขตแลแดนก็กู้ันดูกฮันดาว จังเอาไปสีตีเก้าเป้าก็กูเป้าเบาหวานจังเอาไปสีตีเก้าตานก็กูตานเบาใหญ่จังเอาไปสีตีเก้าไม่ไฟก็จังไว้กินหาง จังเอาไปสีตีเก่าไม่สร้างก็จังไหวกินนอจังเอาไปสีตีคางน้ำบ่ก็จังไหวตักกินจังเอาไปสีตีคางน้ำรินก็จังไหวตักอาบเราจังเอาเท่าขีดาบผู้นี้ไปสีตีตันใดนั่นจ้า เขาจริงจ้ากันว่ายังมีไม่นิ่วตอนหนึ่งมีกิ่งกวางสาขาเป็นตีเรียงกามายังร่มขี้เรียงล่อมปิงกังขาขี้กาปิงหูเข่าเราจังเอาเท่าดาวเก่าผู้นี้ไปต่อตีนั่นพึ่งกูลจาเล มนุสานว่าคันตั้งหลายนั้นเรล่าว่าเราคันเก่าเต่าเคยอใดสิพี่ยอมหาสมจีมาไก่หือใดสูตรกรรมมาฐานส่องสาการเก่เท่าตั้งเขาน้้าและปังสาคุ้นตือว่าอันเลว เขาจึงไปนี่ม่อนภาวัตหนึ่งก็ว่าเรานี่แจบตินไปเบาใดไปหาภาวัตไตก็ว่าเรานี่เบายามสักเตอเเลอปะซอกไปหาภาวันวันตอกก็ว่าเรานี่กูพีหลอกไปหาภาวันวันออกก็ว่าเรานี่เบาใดกรรมมาทาน ไปหาผ้าตากันก็ว่าเรานี่เบ า, าล a n g เบาล a n g ไปหาผ้ารันจังก็ว่าเรานี่เบาเลียงเบาเลียงไปหาผ้าเมีงก็ว่าเร า, เานี่เบาตาเบาตาไปหาผ้ามานก็ว่าเรานี่เบาตัวเบาตัว เขาจริงไปหาผ้ากุลาตนหนึ่งมีหูก็กวังมีดังก็งุกลุกก็อยากปากก็บิวคิวก็ห่างกลางก็ป้อมน้ำก็ใหญ่สําเป็นขี้เข็นไก่ตั้งตูหูก็สาตาก็เหลียวคิวก็มดหลังก็คอดต้องก็เติบเกือบก็ซุป กุ๊บก็ตื้อมือก็สั่นซำดำกำตึกดึกมือคึอกเอาหังเหฮึกมาเป็นสายซานุกบาดหนุงพาย่อมฝาดพันยานพิษโบราณจารีตเอาปีกเป็นมาไปเอาปีกไก่มาเป็นวี จึงได้เจอว่าพาจีดอกมกอย่างอยู่ปังขางหูวิ่งพาเบาิ้งขันกว่าเมตตา่าเวยเว ย, วยววหูป่าโอคือ้าเราควร้าเราควรบาอันแล้ว มันก็ถือเอาวีแล่บาทไม่เต้ากวาดติวไปพาจังไรมือหงอยลิ้นเกียงลอยซอบมัดทำเบารู้สังวรสังบาทเข้าอำนาตั้หา เตียวมังกานานรอดกำลังหดหิวเรียงคาบบเขียงปลาตาวดินดาดาวกังตังร่องอุยคางลาเลยว่าหูเข่าเมยเจ็บ จิงจังแก้มเมาไม่เต้าลุงสันเศ้างุมงามยันซาสามซาสุ่มยัด ง, ง่างุ่งง่าเงันรีใบปั้นเพียวรอดวางถอยตอดกำจ้าง ว่าดูราพามกูจังมารำพาปังซาคุณมึงสั่งหน่อยก็เอาไม่เต้าต่อยรุงพามยันกอกกอกกากกั ก, ก, กร้องออกปากปัญนศีน วานาโมมึงอย่าลักคู่เปื่นยองไว้เราผองบิดเอาตาสาตาสีขายิงใจจ้างมาจุงไว้ทาปันเราปุธังซารานังผุงงอันคำเพี่ยนพาจุงไว้ทาปันเรา ปาาติปาตายวูควายหลายมูนันจุงไว้หันปันเราวีรามันนีผุ้งยิ่งเราย่าเยียมไว้เราแยมจูคอนขันเออสุรามีให้เราจีไหลบอกจุงเอามาถอกใส่บาทปันเราท้าว่าดังนี้แล้ว ก็มาสุดมาติกาว่าโกกิกาูสาลาทำมากากิกโปาตีโจโลทมโมกากิลสิกาทำมาอปปาติลิงสิกิงทำมิงตุเขกู่ซาลีทมมีอาตุแขนกูซาเลนทำมียนว่าดังนี้แล้ว ก็อยากนําตอกว่ากู้ซาลวงทํามองอาเปียงกาตองทํามองอันนี้ก็เป็นไม่กลุ่มอันนี้ก็เป็นไม่ตองอันนี้ก็เป็นไม่กาสาลองอองอองเล่ผามเฮยมึงตายอย่าเมือมึงฟากวามนาสูอาวิจีสิบเซนปีอยู่ในนรกปุ่นเตอ ้าปันปวนว่าแล้วฝุงหมู่เก้วกันยาฝุงนารีสาวหนุ่มนาตาจุ่มเ ม, มย์ไม้ตั้งฝุ่งใจมุนหมากร้องง อ, อกปากใ้หูตาย ้านน้ำลาย่อยยืดย้อยเป็นถ้อยถังไหลตอกพองก็ป่อเจ็บอกแลปวดต้งเขาหูวรวง อ, อึกอึกยันดึกดึกหลากหลากสันสายหมากตั้งตูเหตุไขหูผ้าจีดอกมกอย่างเบาจาังกาวปั้นสินเตานับกินและอยู่เป็นผ้าผูอาสุราสูง เปินไข่โคยารู้เก็ดรตนาสำมเศ็จบังยังใบหูกวังยานเลยบุญป้องเวยอุ้มอามเอาคู่พามสาใสได้พาปังสาคุณใหม่แล้วโลดฮอกนี้ ขันตบมือตีหรวรงสิงมีกองนันหนึ่งดุจจัดดังตานคับกวางคับยิงเข้าป่านันสาสาสาสีเปินก่อเผาพีปูเทาหับหูจีพามผิวไฟลามหูไม่เบากึดใดสักอันตามกำมันกว่าไม่ในมอใหญ่อาวิจีปุนเดนา ตาตาในกาลาเมื่อนั้นพียก็ฮือเปินไปตีกองร่งเปล่าเอิญถามข่าวขะคุณพามแต่อารามพับจอดตุ้งดาวรอสันธานนากองปานจักขาดก็เบาหันจันเจอจาดวองซาอันเป็นญาติกาแห่งเท่าอามาเจ้าขึ้นมา ใครขียาขาบเต้าตอนผาดาวของไตส่วนบาพีาเวสันใจญาตก็เื่อาดปิดจารณาเขาโกจริงเอาเขาของนั่นมาขึ้นดังเก่าเปด่อ้เป็นส่วนสองจึงเจ้ากุมารวันนั้นแลย สตาเมติวาสีในวันทุนเจ็ดเล่มารวดอันวารีปอนขอดขอมาเตา้ากอจุมหนุ่มฟุงเสนาตั้งสี่พ้อมทุนที่โยธา ก็อกาตั้มหื้อเจ้าจาลีไปก่อนนาจังอาจกาใสไว้มาซาในรดนหลากควันหาญยาดใหญ่ไปออกวิ่งไปเป็นขนาดเปิดจังเข้าไปสู่อาวาดยิ ม, มาปานวันนั้นเล ตามัทังปากาสินตุสัทธาหาสัทธาสาปัญอยู่ตอนวิเศษจังไครเหตุปาลียังอัตถามีอือแจงผ้าก็เสียงเตสนะเป็นกาธาวา ซาส a นามา t าติอาสีอุญยุตาสิวิวะหินิจาริโนมักกาณายนาวังกังปายาสีป p ปตังดังนี พิงคาวิฑูราพิกุตังหลายสาสินาสวนวาสินาหลายมุนมากความตุงปากคนดีไดสิบสองอาคุพีนีเบากาศอันเป็นรีปอนเต้าปรมานาสนใจ ออกวิ่งไปยันซาเศว้าซ า, าสวาดมีเจ้าจารีอยู่ว่าราดน้ำตังจังมาขวางย้ายญาตเปิดอจังไปนำ้ำเมาอกการาดภูทอนกือเวสันดอนสองจึงเจ้าเอาหมูเข้าเตียวไปในวังกาตาปะปะตากิรีก็มีวันนั่นแลย ตาตาในกาลานอันผามตั้งหลายอันอยู่ในเมืองกาลิงการาดได้ยินข่าวสันเต้าปรมาณาสันใจอันจังไปโอกาสยังเพีาเว ส, สันตารารารขึ้นมา ส่วนพระมานาได้เลี้ยวยังจ้างเผือกแกวมือมึงหาฝันนื่อไหลหลังเป็นแถว ท, ทังต้องมาเต็มในนาตุ้งตีเข้ากากีบบานไซเขาก็เอาจ้างผ่าใจตูองอาจมาขึ้นฮือเกต้าที่ราสันใจวันนั้นเล สูนากูอันวาจ้างแกวผ้าใจตูใหญ่ก็ข้านิ่งไฟสำปานว่ากูจังได้หันเต้าตอนข้านีสิทคือพยาเวสันด้วนมีใจวอนว่าเวียนก็ร้องเสียนซาตินเป็นดังสิงนกขินร่องกองก็มีวันอันเล ที่นาวุตังเหตุดังอันถูกปันทนาการธานุอีสุดอาจารย์เจ้าหลุดนำมา สันทายาอาศัยควันขิงซึ่งจ้างแก้วมิงของใครว่ากุลจังนาตาติมาตังกูกุญจารูสธิทหายาโนกัจชายาปัทามานาญาคุลจังนาตาติวารณูดังนี้ โูสารีบุตรตาดูราสารีบุตรในเมือจัางเกล้วผ้าใจตูผ้าเสือตอันบังเกิดตามมาแต่องคาทุเมนุ่มบอกแกทานมาชิมอาวัย มีหูใจเบาเศร้าได้หอกซีบคบเข้าจิงถอยเท่ารวยเรียงมาสำเดียงสิงหมากซาตินอากดูดังมือกวนยังผูกขาดใช้ข่าปั้นราดร้อนสิงคุนจังเป็นดังสิงนอกเข็นร่องนั้นก็มีเล อาจารย์ยาหาสิยันติอันว่ามาอาชาในก็หอเห็นจังก็มาแสนสิงไผยกองรันตังหลายดังซาเศร้ารือตัวดาวสิวิ ผ่องธูรีมุ่งมุ่นล้ามปัดฝุ่นมือบอลขึ้นบังหวั่นอากาศเป็นฝ้าหยาดอันท่าการอยู่ท่าหันไหลออกพัมตุงสอกสีวี โยธท่าดีหาดเฮาเป็นคาเต้าย่อมอาซาเอากันมาเวทรอมเห็นเหออ้อมจารีเขายินดีจมจึนฟ้อนร่าร่นอ่อนไปสู่ดังไปปากกวางไปก่อนนาผ้าเจ้าจ้างตอนกูสนใจวันนั้นเล ทีนาจตารูคัตติยานว่าคัตติยตั้งสีปูยาลันก็อรีปนหนันมุนหมู่เข้าไปสู่ดองดานในสันฐานป่ากวางเป็นตีอาราเมาใจ ราสยมีนอำมมากคุนเล่นอาบยินดีตอนไม่มีสองสาตอนสูงตำ่ำใหญ่ใ่ลมตีใบปันเปิือกกิ่งไม่เนิกไปมา มีสาขาเหงองอกผ่องตรองดอกแก้มใบลางผ่องใหญ่เป็นลูกมีร่อนถูกกินหวานอันผ้ากอบไปโดยอาหารเลนอมไมพักเบาไรกุนกิน มีเนินตุงแง่แต้มดาวแผ่ดองไพนกบินไปเป็นหมูร่องทองกูขันขันมีผิวพันต่างต่า ง, างร่องสิงสว่างใหญ่ พ่องบินไปพ่องอยู่จับไม่กู่ผู้มีคันสิงซีจมโดอกบินเข้าออกไปจูมือร่อนดูเป็นดอกในดาวขอกิมาปานที่นั่นเล พิงขวิดูราพิคุตังหลายเวสันตารู้อันวาพยาเวสันตาระตอนบุญกว่างอันอยู่สร้างเด่นใดวงกคนในแก้วกู่ล้านยาผูสันใจติวตังไกยาวโยวดใดหกสิบโยดกานานาด้วยมังกาอันเตียงปูเสิงแห่งวันขึ้น แป่นอันเหมือนจะาลำสีเต้าพัมไปถึงของเดนตึงผ้าติศตีเต้าเฟีดเป็นจีก็มีโดยผาการดังเกาวมานี้เล่ มหาราชปาปังนิททิตังขียาสังวันาวิเศษตทสนาองค์ยังมหาราชอันผดผาด ไปโดยกาถาว่าใดหกสิบเก่าตามดังพระพุทธเจ้าหากตทสนามาก็สารัจ้าบูรามนการาคุณเต่านี้ก่อนแล